ทางนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบรารมีของแต่ละบุคคลแต่จะอย่างไรก็ตามขอเดียวโปรดเข้าใจว่าถ้าคนไหนคิดจะไม่เกิดอีกต่อไป mm. ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจของเขาเองและที่เขาสมัครใจเช่นนั้นก็เพราะเขาได้มองเห็นอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งไม่อาจที่จะปัญญาออกมาเป็นคำพูดได้และสิ่งสิ่งนั้นจะเรียกว่าตัวตนที่แท้จริง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 ตัวตนที่ไม่มีความนึกคิดอันนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ความต้านทานต่อความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นซึ่งอันที่จริงความต้านทานนั้นก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งคือเป็นวิบากของสมาธิและวิปัสสนาวิบากอันนี้มาสะสมมากขึ้นแล้วสามารถที่จะต้านทานต่อความทุกข์ได้ทุกอย่างซึ่งหมายความว่า